ธรรมกาถาครั้งที่6ตอนกำหนดแต่อาการเดียววิธีทาจิตให้สงบตั้งมั่นอันเป็นสมถะได้แสดงแล้วคืออาณาปานสติกายคตาสติและาธาตุกรรมฐานเพื่อให้เลือกปฏิบัติตามแต่ความประสงค์ เมื่อมุ่งที่จะตั้งจิตให้เป็นหนึ่งไม่ให้เที่ยวไปก็ใช้อานาปานสติจิตปรารถนาจะเที่ยวก็ให้เที่ยวไปในกายและไปในธาตุคือให้ใช้กายคตาสติและธาตุกรรมฐานแต่ในการที่จะให้จิตเที่ยวไปนั้น จะประสงค์เพ่งช้าๆและให้หยุดตั้งสติอยู่ที่อาการอันใดอันหนึ่งให้ปรากฏชัดก็ได้เช่นทำสมาธิให้เที่ยวไปในกายพิจารณาเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อ นหารูเอ็นอธิกระดูกจะหยุดตั้งสติกำหนดดูกระดูกให้เห็นเป็นโครงร่างกระดูกที่ตนเองเพียงอาการเดียวดังนี้ก็ได้เป็นการรวมจิตให้อยู่กับที่เช่นเดียวกันตอนข้อว่าด้วยพิจารณาศพ แต่ตามที่ได้กล่าวมานั้นเป็นการพิจารณากายที่ยังเป็นอยู่จะพิจารณากายที่เป็นศพปราศจากชีวิตแล้วก็ได้เป็นการเทียบเคียงกันคือพิจารณากายนี้เทียบเคียงกับศพที่เขาทิ้งในป่าช้าตั้งแต่เป็นศพซึ่งตายวันหนึ่งสองวันสามวัน ขึ้นพองมีน้ำเหลืองไหลจนถึงเป็นกระดูกผุปนเพื่อทำจิตให้เกิดความหน่ายและความสงบและเมื่อได้พิจารณาเทียบเคียงจนคุ้นก็จะทำให้เกิดความไม่กลัวในศพนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้การพิจารณาตอน สมาธิสองอย่างสมาธินั้นกล่าวโดยย่ อ, อ ก, ก็มีสองอย่างคืออุปจารสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดอย่างหนึ่งอัปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่อีกอย่างหนึ่งสมาธิที่ใช้การพิจารณาให้จิตเที่ยวไปก็ได้ผลเพียงเฉียดเฉียด เพราะจิตไม่รวมเป็นหนึ่งแต่สมาธิที่รวมจิตไว้เป็นอันเดียวเป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แน่วแน่ได้เช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกแม้ตั้งสติเป็นไปในกายแต่ให้รวมอยู่ที่อาการใดอาการหนึ่งก็ให้เกิดอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่ได้เหมือนกันตอนอุปกรณ์ปฏิบัติอุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้นต้องมีวิตกคือความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิวิจารณ์คือตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น ให้คลุกเคล้าไปกับอารมณ์ของสมาธินั้นเมื่อตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยตั้งจุดไว้ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนซึ่งเป็นที่ที่ลมผ่านเมื่อเข้าและเมื่อออกก็จะต้องใช้วิตกคือยกจิตให้ไปจับอยู่ที่จุดนั้น และต้องใช้วิจาร์คือประคองจิตให้คลุกคล้าวแน่วแน่อยู่ที่จุดอันนั้นจุดเดียวในเวลาปฏิบัตินั้นเมื่อใช้วิตกคือยกจิตให้จับอยู่ที่จุดนั้นถ้าเผลอสติเมื่อใดจิตก็แวบออกไปก็ต้องใช้วิตกคือจับจิตมายกตั้งไว้ที่จุดนั้นใหม่ และคอยประคองให้จิตแน่วแน่คลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ให้พลัดตกไปในอารมณ์อื่นท่านจึงเปรียบวิตกเหมือนอย่างเสียงตีระฆังทีแรกเสียงระฆังก็ดังขึ้นวิจารก็คือเสียงครางของระฆังนั้นในการปฏิบัติต้องใช้วิตกวิจารดังกล่าวนี้อยู่เสมอ เพราะจิตนั้นคอยพลัดตกไปจากอารมณ์ของสมาธิเที่ยวไปในที่อื่นก็ต้องใช้วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์และใช้วิจาร์คือประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้นเมื่อใช้วิตกวิจาร์อยู่เสมอจนจิตเชื่องเข้าและอยู่ตัวมากก็จะเริ่มได้ผลของสมาธิ คือได้ปีติความอิ่มใจให้รู้สึกทราบซ่านไปทั่วตัวหรือมีความรู้สึกทราบซ่านแรงกว่านั้นและจะได้ความสุขคือสบายกายและสบายใจเมื่อมีความสบายกายและสบายใจจิตก็จะเป็นเอกะขะตาคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่วอกแวก ในการปฏิบัติเมื่อยังไม่ได้ปีติไม่ได้สุขการทำสมาธิก็ย่อมจะรู้สึกอึดอัดราคาญเพราะยังไม่ได้ผลแต่เมื่อใช้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอดังที่กล่าวมาปีติสุขก็จะเกิดขึ้นเองและเมื่อสุขเกิดขึ้นเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือเป็นตัวสมาธิก็จะเกิดขึ้นเป็นอันได้ผลของสมาธิเป็นขั้นต้นแม้เพียงเท่านี้ก็ทำให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติและทำให้การปฏิบัติงอกงามยิ่งขึ้นข้อที่พึงกําหนดในการปฏิบัติที่กล่าวในวันนี้คือวิตกความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ วิจารณ์ความประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิปีติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกะขะตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวซึ่งเป็นตัวสมาธิยี่สิบสิงหาคม2504